พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่ายายงวนหลวงป่าวันนี้เป็นวันที่30สิบ กรกฎาคมพุทธศักราช2557หลวงพ่อม่ไดฉันในวัดสองวันวันที่28กับวันที่29แต่วันที่28หลวงพ่อติดภาระแบบกระทันหันคือโยมวัดป่าบ้านเพิ่มแม่ตูงงวน ที่ดูแลอุปธรมพระถาวัดป่าบ้านเพิ่มมาตั้งแต่ดึกดําบันนั้นแต่หลวงพ่อไปจำพรรษาปีสองพันหาร้อยสามนะเมื่อสร้างสลาหลังนี้เสร็จเห็นมาป้ายอยู่ที่ห้องพระประธานพอสร้างสลาเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปจําพรรษาพอเสร็จเดือนพฤษภานพีพฤษภามิถุนากรกฎาหลวงพ่อก็ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านเพิ่มประเดิมเป็น ครั้งแรกพิภพจำบรรษาลุงพ่อจำบรรษาที่บ้านเพิ่มน่่นะก็ศรัทธาญาติโยมลูกหลานเหล่านี้แหละเป็นผู้ดูแลอุปถัมปทาตลอดถึงลูกชายลูกสาวลูกเขยมาช่วยดูแลตระกูลนี่นละตระกูลพระตูช้างพระตูงวนเนี่ย ต่อมากรท่านอาจารย์สดหลวงพ่อสดไปจำพรรษาปี2 5ง0ัอาอลงพ่อสดไปจำพรรษาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ท่านก็จำปรรษามาโดยตลอดอันนี้ก็คือเราก็ไปมาหาสู่กันถึงจะหลวงพ่อไม่ได้ไปพวกลูกหลานเหล่านั้นก็มาหาไปมาหาสู่ ทือว่าเป็นศรัทธาญาติโยมผู้มุ่งมั่นในอัตในธรรมแต่เมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่ที่ผ่านมาแม่ตูงหวนที่ว่าเน่ยที่โยมอุปถัมภถาวัดป่าบันเพิ่มมาตั้งแต่หลวงพ่อไปอยู่แล้วก็ไปวัดเกือบไม่ขาด hmm. วันที่ยี่สิบสี่ ช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดออกจะมาเดือนกรกฎาเนี่ย เ, เห็ดอะไรเห็ดตะไคร่เห็ดละโกกผู้เฒ่าไปวัดก็องข้าจ ะ, จะไปหากเก็บเห็ดมาใส่บาตร ท, ทาบุญตักบาตรนะลักษณะอย่างนั้นคนแก่แตล่ลูกล้านห ล, ลานเขาก็ห้ามเฮ้ยไปยังไงยายอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วไปได้ก็ชนคนอื่นไปคนอื่นคนรุ่นราวข่าวเดียวเขาก็ไปไม่ได้เพราะมัน สุขภาพของเขาไม่ดีถ้าฆ่าไม่ไปฆ่าไปคุณเดียวก็ได้ออได้ตะกร้าอันหนึ่งแล้วกนถือมดตดทั้งที่ลูกสาวคนจุดท้องก็ห้ามตแต่แกก็ไม่ฟังพอลูกสาวไป เ, ออเป็นครูสอนเด็กเด็กเล็กพอออกจากบ้านตแต่แกก็ไปเลยเออไปเข้าไปหาเห็ดพอไปได้เนีไม่ได้ไปเรื่อยไปไปเรื่อย พอค่ำมาพวกลูกหลานก็หากันเลยทีว่ายายไปไหนตั้งแต่ห้าโมงเช้ารน ะ, ะดมกันทั้งคืนไม่เจอวันลุกคนกหนหาอีกทั้งวันกับไม่เจอตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่สิบเอ็ดโมงเช้านะผลในที่สุดหลวงพ่อก็มาทราบวันที่ยี่สบเจ็ดพอน้อยนะพูดให้ฟังว่า ตุงหวนหายเลยหลวแม่ตุงหวนหายหน่าันว่าหายยังไงคนอายุถึงขนาดนี้เราไปที่ไหนนะฝนตกทั้งคืนวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบยี่สิบหกวันพระเนี่ยสิบห้าค่ำอ่าฝนตกทั้งคืนเนี่ยทำยังไงฝนตกแรงอีกต่างหากในเขตของเราเนี่ยไม่ทราบเละตายเลยท่าว่าพอสอนฉันจังหัดเจ็ดตอนเช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดเ้ลูกเขย ก็มาหาหลวงพ่อลูกเขยไปตูงวนโอ้ยแม่ตูววตหายหลว ง, งพอ่อออหลวงพ่อก็บอกเออไปไปหากลับไปหาอีกนะไปหาทางโน้นทางถ้าปลากันนี่แหละตีนเขาทางนี้อีพอไปกัไปเจอแม่ตูมาพอ ด, ดีอยู่ที่ถ้าปลาที่หลวงพ่อไปภาวนาอยู่ทางทิศตะวันตกบ้านเพิ่มนะห่างห่างจากบ้านเพิ่มเดยประมาณสักสองกิโลกว่าๆหลวงพ่าว่านะ เขาก็ไปเจอเจอมาเขาเขาเรีบมาบอกวันที่27โดยหลวงพ่อเห็นแล้วกันเออเอาดี่ะจากนั้นเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อให้วันที่28ขอหลวงพ่อไปฉันจังหันบ้านองคเขาก็เพื่อรับขวัญกำลังใจให้ลูกให้หลานด้วยเพราะว่าขวัญหนีดีฟอไปหมดแล้วหลวงพ่อก็เออเอารับนี่แหละคือไปดดโดยที่กระทันหันคะ หลวงพ่อก็รับกันที่มณฑลหลวงพ่อสดหลวงพ่อเรื่องหลวงพ่อเทืองหลวงพ่ออะไรแถบๆนั่นแหละห้าหกสี่ห้าหกวัดนะมาฉันจังหันอหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นไงแม่ตู้ไปยังไงวะแม่ตู้เขาก็บอกว่าพอเขาไปเขาหาเก็บเห็ดหาหน่อไม้ไม่ไหนเขาก็เลยไปไปเลยเดินไปเลยเออมันไปยังไงละ่ะมันไม่หมืดไม่ค่ําแล้วอะ ก็ว่าเดินมืดเหนื่อยแล้วก็ไปนั่งนั่งกับภาวนาพุโทโธพุโทโธไปด้วยเหมือนแต่มันไม่มืดตอแก่ว่านะมันไม่ค่ามันไม่มืดมันสว่างอยูออ่พอไปนั่งพอไปนั่งลงน่ยใบไม้อยู่ข้างๆนั้นมันเป็นแสงสว่างเหมือนกระเทีย น, นยมันสว่างแต่แล้วก็จับมาดูเป็นใบไม้มีเห็นคนไหมขนขนเยอะเหมือนขนกดเยอะ แต่ไม่รู้จักเขาว่าเป็นใครแต่เขาไม่ถามเราก็ไม่ถามเขาเหมือนเพราะเขาไม่ถามเราเอเพราะไม่มาใกล้แต่ผู้มาใกล้ก็คือพ่อปู่กับแม่ยา่าแม่ยามา่าเดินมาตะบันหมากมาอยู่นั่งข้างๆนาถามไปยังไงลูกสะภ้เยจามาหยังมาหาเก็บเห็ดมาหาเก็บหนอ่อไม้ได้บ่นละทั้งที่ไม่ได้นะโกหกแม่ย่าได้ได้ไดยุบพุนะ่ะ อะไร ย, ยังโกหกไปใหญ่เนอแต่พ่อปู่ม่ยานั่งอยู่ใกล้เหมืนแต่พอตู้งวเนเี่ยเห็นอยู่ผ่านห่างๆหมือนนแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์แต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นองค์ไหนผ่านมอบแแบบเวลานั่งนั่นหละได้หกล้มครั้งหนึ่งที่คางเนี่ยดำหมดเลยเพมันไปกระแทกกับพื้นนะแต่แถวขาเนี่ยรู้สึกว่า มันมีตะนามเกี่ยวน้ำเกาะไม่ได้ทานอาหารเลยแต่หิวไหมไม่หิวไม่หิวไม่เหนื่อยแต่ทานน้ำดื่มน้ำอยู่ไปถึงคลองน้ำล้วก็เลยดื่มน้าถ้ากินมากก็ไม่ได้กลัวจะปวดท้องกินหน่อยหนึ่งกินน้ำสองครั้งแต่มันคอแห้งแล้วจะตอนจะกลับมาเป็นยังไงฟอนจะกลับมาเขามาส่งมีคนมาส่งเยอะแยะไปหมดเลย เขาก็บอกว่าเนี่ยไปตามทางนี้นะย่าแม่ตู้นะอย่าไปปีกไปทางอื่นนะก่อไปตามทางนี้แหละจะถึงบ้านเขามาส่งก็เลยเดินมามาเขามาเจอกับพวกที่ไปไปเห็นนไอ้พวกที่ไปเห็นกขาพวกหลานพวกหลานเคยพวกหลานเคยเอ๊ะแม่ตู้มาจากไหนมาคนเดียวหน่อยแม่ตู้เจ้ามาจากไหนไปหาเก็บเห็ดมาเอาเนเจ้าซื่อว่าจังไไะ ชื่อแม่ตววูวหัวน้องโอ้พวกนี้ก็เลยเข้าไปโอบ ก, กอดเลยป๊ป๊บปัป๊บปัอะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวอุ้มพวกะัเดี๋ย ว, ย ว, ยวมันจะหกล้มเราไม่ได้กินข้าวทั้งหลายวันผู้เท่าไม่ได้เดินได้อยู่เทอะว่าะผลที่สวดพวกกลุ่มหนึ่งเข้าไปก็เลยได้อาออกมาฮะนี่แหละอันนี้ก็คือแม่ตู้ ท, ที่หายไปหายไปแบบกระทันหันแต่ก็ามาหาหลวงพ่อนะ ลุงพ่อพอได้ยินพ่อน้อยลุงพ่อนันสัก เ, เทธไปเจ้าเหล่าเทวาเหมือนกันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพอลูกเขยเข้ามาลุงพ่อก็ไปกราบพระที่พระประธานลกหลวงปู่มั่นหลวงตาลุกปู่ล่าคุณแม่ชีแก้วนะบุญบารมีของครูบายจั์ช่วยแม่ตูนะ้เนอะผู้เท่าปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมาโค้งสุดท้ายเลยจะมาหายสาบสูญตายแบบ ไม่มีอะไรเลยแนตะ่ดูๆจะไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมสำหรับเขาถ้าว่าเว้นเสียแต่เขามีบาปกรรมในอดีตชาติจริงๆก็ไม่กระสุดแท้แต่ในถ้า่านั้นก็ขอเทพเจ้าเราเทาวาทั้งหลายช่วยผู้เท่าโดยเทิดหลวงพ่อก็ตัง้งจิตติฐานเท่านั้นแหละจากนั้นพอเขากลับไปเขาก็เห็นเห็นเขาก็บอกโ่หลวงพ่อเนี่ย บอกให้ไปทางนูง้นไปเห็นจริงๆหัวหน้หนะลวงพ่อก็เลยเหมือนหลวงพ่อตาทิพย์ลักษณะอย่างงั้นแล้วไนปะแต่ตาไม่จริงตาไม่ทิพย์หรอกยายตูหงหัวนมาเมื่อวานเขาเขาเลยทําบุญหลวงพ่อก็ได้ไปทําบุญแล้วกันนั่นแหละต่อไปจายนาะอะอย่าไปไปสม 4, สีสมหานะอันนี้มันคงจะรับวิบากกรรมมั้งวิบากกรรมตัวเอง อาจจะไปขังหมูหมากาไก่หรืขังนกขังอะไรก็ไม่รู้แหละไปตากแดดตากฝนไว้น่ะเนี่ยนะคงจะใช้คำตรงนั้นแหละมั่งไปฝนตกทั้งคืนน่หนาวไหมล่ะยายไม่หนาวใช่นหะแต่ตามไม่จริงฝนตกทั้งคืนน้าไหลแล้วแต่แกว่าไปนั่งอยู่ น, น้ําไหลทั้งสองข้างเลยน้ําไหลทั้งข้างหนาวไหมไม่หนา ว, วแต่ตามไม่จริงอายุตั้งเจ็ดสิบหขนาดนั้นน่ะน่าจะเป็นตะขิว่ะ ฝนตกทั้งคืนนะอันนี้ไม่ไม่หนาวถา ม, มแล้วก็ไม่หิวนะ่ะก็แปลกเหมือนกันนะคงจะอั น, นีนสงของผู้เท่าทำบุญทำทานบุญกุศลที่คุ้มครองนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เ ห, ห, หลวงพ่อก็เลยพูดเล่าให้ลูกให้หลานฟังน้าลูกหลานทั้งหลายนะเนี่ยแหละยายคนเนี้ย ยายเป็นคนมีศีลมีธรรมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปที่ไหนก็มีอะไรมีสิ่งที่รองรับอพอเหตุไรเพราะตามไม่จริงก็มีกรรมอยู่แต่กระบุญบุญก็ช่วยคนที่สร้างบุญไว้บุญจะต้องตามสนองแต่บุญนะมันมองไม่เห็นหรอกแต่มันเป็นพลังสิ่งที่มันจะจวนเจียนที่มันจะตกทุกข์ที่ยากจริงจริงเราระลึกถึงบุญกุศล บุญกุศลนั้นก็จะเข้ามาคุ้มครองอพวกเราแต่ตางว่าพวกเราไม่ได้สร้างไว้เนะี่ยเราจะนึกถึงอะไระอหลวงพ่อก็เลยเล่านิทานประเทศพมา่าให้เขาฟังแต่ไม่ใช่มานะมาในพระไตรปิฎกนะลูกหลานนะอันนี้เป็นนิทานชาวเมืองพมา่าะเขาพูดให้ฟังอหลวงพ่อฟังแล้วก็อื เอามาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายฟังเออมียายคนหนึ่งเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเป็นผู้มีศีลธรรมไปที่ไหนก็นั่นเฉลือเผื่อแผ่ได้อะไรมาก็าแบ่งปันเท่าที่จะแบ่งปันได้เวลาเขาตำข้าวคกกระเดื่องพอตำข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ห้ข้าวที่มันหักปลายก็หวานให้ไก่บ้าง ให้เป็ดให้ไก่กินบ้างพอมันข้าวมันหักข้าวที่จะมาเนึ่งเขามาเนึ่งแล้วก็ข้าวเปลือกทามันมีมากก็แจกอย่าพี่น้องมาที่เขาอยากจนมากว่าเราก็ให้เขาแต่ถึงยังไงเราก็มีอยู่มีกินเก็บเอาไว้ไม่เห้อดใา้อยากอยู่แล้วแต่จำนวนที่เหลือก็แบ่งๆไปอันนี้คนยายเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางไม่จิตใจเป็นธรรมจิตใจ มีน้ำใจแต่นี้่ยายน่ะก็ได้ลูกชายคนหนึ่งะลูกชายต่อมาพ่อก็เลยตายลูกเลยแต่งงานให้ลูกชายพ่อเลยแต่งงานลูกชายลูกชายก็ฮได้เมียมาแล้วแต่นี่เมียกับคนขี้ทีป่าเนี่ยเป็นคนขี้ตันีทีเหนียวอีกเท่เนี่ยมันเข้ากันไม่ได้กับแม่ยา่าแม่ย่าเน่ยใจกว้างขวาง แต่ลูกสะพ้ยเนะี่ยมันคนขี้ตะหนีเนี่ยขี้ตะหนีทีเหนียวขนาดไก่กินข้าวนะี่ยยังจะอฆ่าแล้วเอแหวเอาเหนียงมันก่อนเอยที่ไก่กินอยู่ในเหนียงของมันใช่ไหมนั่นจะเอามาอีกเออกับแม่ย่าเลยพอตำโคกกระเรืองเสร็จแล้วกันนะ่ะหวานให้ไก่กินนะแต่ลูกสะพ้ยเนะี่ยโอ้โขวางหูขวางตาเหมืนกนะ่ะ เอคือจะให้ใครเนี่ยแปลว่าไม่ให้ตกไม่ให้หล่นแต่คนขี้เหนียวกับคนใจกว้างมันไม่เข้ากันเลยนะเนี่พอทําอะไรแม่ย่าทาอะไรมันขวางตาตัวเองเดี๋ยนี้ก็นานเข้านานเข้ากับยื่นโนติดให้ผัวเลยนะเนอ่ฮะคุณจะเอาแม่หรือคุณจะเอาฉันไว้หน่อถ้าฉันอยู่แม่จะไม่มี ถ้าแม่มีฉันจะไม่อยู่ท่านจะเอาอะไรทางผัวเนี่ยก่อนโอ๊ยก็เอาทั้งสองแล้วรักทั้งแม่รักทั้งเมียแล้วเมียก็รักแม่ก็รักเอาไว้ทั้งสองนะ่ะไม่ได้เฮ้ยแบบเด็ดขาดเลยถ้าจะเอาฉันไม่ต้องไม่มีแม่ถ้ามีแม่อยู่ฉันจะหนีมันเข้ากันไม่ได้อมันช้าใจมันทุกข์ใจนะฉันจะหนี ทางผู้ผัวก็เราบอกถ้าอย่างนั้นจะเอาอย่างไงขนะดทำไม่ให้แม่อยู่จะทําไงเออจะทำอย่างไงโหเธอเจ๋อโหจะไปยากอะไรเนี่ยเราชวนแม่ญาติไปหาเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ในป่านะเห็ดเก็บผักในป่านพอทีนี้นก็ชวนไปแล้วกันไปมัดไว้เลยก็เสือเอามาเสือกินแล้วก็จบจะไปยากอะไรเฮะเอาจย่งั้นเหรอ เอาเอาเขาเอ า, เ, อาเนี่แหละลูกชายาลูกชายเชื่อมีเอเอนี่ยพวกลูกสายเชื่อเมียก็พาแม่ไปแม่ก็ชวนแม่แม่อยากจะเป็นคนปา่าคนดงอยู่แล้วนี่ชวนไปแม่โอ้ดีอกดีใจลูกช า, ายก็ลูกชายชวนไปหาเก็บเห็ดเก็บผักนะแม่ก็ไปพอไปก็ไปถึงตีนเขาพอไปถึงตีนเขาแล้วก็ ถึงจุดที่ต้องการแลยกัลูกชายกัลูกสะพ้ายมัดจะมัดแม่ย่าในชะ่ไหมัดแม่ย่าใส่ติดกับต้นไม้เอามือไผ่หลังฮะมัดมือไผ่หลังเกาะต้นไม้พอมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มัดตายอีกบัดไม่เห็นอีกมัดปากอีกมัดตายไม่ร้องไรจากนั้นก็กลับและสองสองผัวเมียมก็กลับ กลับบ้านไหมพอกลับบ้านจะได้ก็พอค้ามข้ามมาเสือมันก็อยู่ในละแวกนั้นใช่ไหมเอเสือมันอยู่ในภูเขามันก็ออกหากินนไงเออมันก็ร้องแหละเบาคำว่าเบาคำนี้มันพราะมันหงมหรือมันเหมือนกับเอสัตว์ทั้งหลายเนี่โอ้หัวหดหมดเละเสือมันร้องเสือเสือโค้งใหญ่แต่ใ้เสือมันก็ เดินบนไปมันถูกกลิ่นคนเเนี่ยเพราะถึอ ก, กินคนอ่ำคนอยู่แถวนี้แลก็เด็กเข้ามามันจะมากินยายเลยเถอเนี่ยแต่เนี้ยภูมิมะลุกะเทวดาอย่างยายหวนเห็นนีมั้งที่เราพอมองไม่เห็นเนเออภูมิมะลุกะเทวดาเห็นนึกออกไปห้ามไอ้อเสือยศเจก้กรเดี๋ยวเราไปถามดูเจกรว่ายายนี่เป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นคนมีศีลธรรมหรือเปล่า ยศอย่าเพิ่งเข้าไปนะเสือมกรยุดพอภูมิภูมิมาลุขะเทโอดากันเอาไว้จากนั้นภูมิมาลุขะเทโอดานี่เจ้าป่า เ, เจ้าป่าเจ้าดงที่เป็นหัวหน้าเทโอดานี่ไปเก็บโอปีกไก่ป่าใช่ไหม ไอ้ครับบขนไก่ป่านขนปีกไก่ป่านมันก anyway. ็ไก่บ้านของเราน่ยมันหล่นเนี่ยพอจับมาเลิดได้ขนไก่ปีกไก่ฮ้มาแยงเข้าจมูกยายห้ยเทวดาก็คิดแปลกเหมือนกันนะมาแยงเข้าจมูกยายแล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนไจากนายยายมันก็จามเลยที่จะแอ่แฟงพุทโธธรรมโมสังโฆนิพานั่งฉันใหญ่าน พออีกแยงเขาอีกบังเอิญหรือเปล่าเหมือนเทวดายังไม่มั่นใจเลยแยงครั้งที่สองอีกหนะ่อยแยง่งพุทโธธรรมโอสังโฆนิพานังแยงเข้าไปอีกครั้งที่สามทดสอบสนะทั้งสามครั้งเหมือนเลยพุทโธธรรมโอสังโฆนิพานังทั้งสามครั้งโอ้ยายเป็นผู้มีศีลมีธรรมขนาดไอจามก็ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอ้ยเสือ มึงจะไปกินนะถ้าเกินคนคนนี้นะ่ะมึงตายไปแล้วไม่ได้เกิดเป็นอีกนะวะตกนรกหมกไหมลุมไหรก็ไม่รู้มกไปออกหากินที่อื่น เ, เจ้าป่าเขาก็เลยไล่เสือต้นนั้นออกไปหากินที่อื่นพอจากนั้นโอ้ยายคนนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมวเะเขาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระนิพพานอีกต่างหากเอ้าไปแก้เชื่อกใครเขาะ เจ้าป่าก็เลยมาแก้เชือกพอแก้เชือกแลก้วก็หาอาหารทริปอาหารที่มันมีเอามาให้ยายกินยายก็กินอาหารเสร็จแล้วนาก็นอนเสร็จแล้วมันเหนื่อยเลยเขามัดไวนะ้น่ะพอนอนเสร็จแล้วก็ผู้นิช้าสว่างขึ้นมาเทวดาก็ไปหาอันนนแะหาไหไหไ ห, หก็คือกระออมหรือว่าอนะันนั้นที่ใส่ทองที่เขาฝังดินไวนะ้น่ะเขามาก็พอน้ําหนัก พอยายที่จะออกไปไดนะ้ก็มาไว้ข้างๆพอ่อยายตื่นขึ้นมาก็เห็นอไม่มีใครนะี่อันนี้เขาเอามาให้เรามานะัดยายเลยจากนั้นยายก็เลยหาผ้าเสร็จแล้วก็มามัดแล้วก็ใส่บาแล้วก็ตะไคร้ไห้เงื้อไห้ทองนะออกไปไปโอ้ยกูไม่ไปหาหรอกลูกชายลูกจะพายถ้าไปเขาคงจะฆ่ากูอีกบ้างจากนั้นก็ไปหาญาติผู้ใหญ่ ที่รักเขาลบนับถือบ้านอื่นนะใกล้ๆอย่านัน้พอไปถึงที่นั่นก็ไปอยู่กับเขาเสร็จแล้วก็ย้ายคนนั้นพยายามเอาทองออกมาขายพอขายก็สร้างบ้านสร้างฐานะขึ้นโอโ้โหยายในรวยเลยเท่นี่คนแถบนั้นระเบิดเถิดเถิงดังเลยวะยายเป็นคนได้ทองคํามาจากไหนไงแต่ได้ทั้งหลุกสะภ้ทาทั้งหลูกชายอยู่ทางนี้ก็เอ๊ะ ได้ยินว่ามียายคนหนึ่งไปอยู่ทางโน้นมันเป็นแม่ของเราหรือเปล่าวะไปดูดูซิไอ้สองผัวเมียเนี่ยไอ้ลูกกาและ ก, กินีเนี่ยไปดูดูโอ้ใช่เป็นเป็นแม่ของเราจริงๆโอ้รวยเนี่ยถามสอบสามโอ้รวยจริงจริงเหมือนได้ทองคําบอกว่าลูกชายลูกจะพไปไปมัดใสีต้นไม้เที่ยวแล้วก็ได้ทองคำํำแต่พอกลับมาจะได้ ทางอียายขี้โลภเอียญายขี่ทีเนี่ยเมียของไอเดกบอกเฮ้ย hey, เอาฉันไปผูกไว้ที่ต้นไม้ต้นนั้นนะคนหนึ่งเผื่อจะได้ทองคนหนึ่งเออมันจะรวยเหมือนกับแม่เราคนหนึ่ง e เอาไปมัดไว้ต้นนะัดหน้าคนหนึ่งทางหัวฟังเมียเหมือนกันใช่ไหมอยากจะรวยอีกเหมือนกันปะ่ะไปก็เลยชวนไปก็ไปเ ล, ย, ปลยเห็นต้นไม้ต้นเก่าใช่ไหมก็มัดแขนไผ่หลังอีกอย่างเก่าใส่ต้นไม้ว่าไว้ ออพอใส่ต้นไม้เสร็จแล้วก็มัดตาไว้อีกมัดปากอกีกเหมือนกับเหมือนกับทำเหมือนกับทําให้แม่เหมือนกันเถอะพอทําให้แม่เสร็ออออแจแล้วก็ผู้ผัวเลยกลับบ้านแล้วเจ้กลับมาคอยอยู่บ้านเพื่อจะได้เมียจะได้ทองคํามาดดเ อ, อจากนั้นพอตกตอนเย็นมานี่ยเสือมันก็มาอย่างเก่าเพราะมันเป็นถิ่นเสือใช่ไหมละ่ะสินเสือออกหากินในในละแวกนั้นมันตีนเขาเน่ะ เสือมันก็ร้องแล้วเมาห่เมืม่อเก่าตรงนันเยนะสองสามเทวิกันเดินเข้ามามัตีถูกกินคนมันก็จะเข้ามาเจ้าป่ า, เ จ, า, ปาเจ้าโดงก็ห้ามไปเล้เสือเดี๋ยวข้าทดลองดูก่อนว่าคนคนนี้มันเป็นศีลเป็นธรรมไหมถ้าห่ามันนันยังยังค่อยยังค่อยว่าตามเรื่องมันเมืองจะไปกินไม่ได้นะแต่กินคน มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีมึงอยากกินนะหน่ะเห็นไหมสมัยก่อนก็เหมือนกันใช่ไหมหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบไปอยู่ในป่าดงพงไพนะ่เสือก็ยังไม่กล้ากินใช่ไหมล่ะเอออท่านมีอะไรท่าไม่มีจัตตราอาวุธอะไรนะแต่เสือก็ยังไม่กล้าเพราะมันเนะ่ยเทวดาคุ้มครองนะ่ะอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นนะอันนี้ถ้าเทวดาเจ้าป่านะั่นกันาทีมองไม่เห็น มนุษย์มองไม่เห็นแต่ว่าเป็นภูมิมันลูกขะเทวดาท่านก็ได้ปีกไก่อย่างที่ว่านะั่นนะเนี่ยปีกไก่ที่มันหลน่นขนไก่ขนไก่ที่มันหลน่นมาก็มาแยงเข้ า, ขาจมูกเอลูกสะพ้ยขี่ทีนี่อีกว่างือนนนะพอแยงเขาไปแก่จมามอยู่เหมือนกันพอแยงเข้าจมูกทดลอบพวกเราทดลองนะมันจามหรือเปล่าทดลองก็ไดนะ้พอจามแฟว่งให้เงินให้ท้องอยู่นะฝุ่นว่นเนี่ย พราะมันพราะมีความมีความอยากจะได้ได้มันขี้โลภอยู่แล้วใช่ไหม อ, อ, อยากจะได้ให้เงินให้ทองอยู่แล้วพราะแม่ญาติได้ให้เงินให้ทองเห็นไหมเทวดาก็จับแยงอีกมันจริงหรือเปล่าวะใสแ่แยงเข้าไปแอ ฟ, ฟังให้เงินให้ทองอยู่ได้แยงถึงสามครั้งเหมือนกันเลยยังพูดอย่างเก่าอยู่เ อ, อเทวดาเจ้าป่าเจ้าตรงอะไรบอกเออเสือคนคนนี้มันขี้โลภไป จัดการตามหน้าที่ของมึงเสือตอนนั้นก็เดินเข้ามากับําหม่อมะกินอินอางนะสะัเหลือแต่กระดูกวหมือนกันเะพอกินเสร็จแล้วท่านี้ทั้งผัวอยู่บ้านก็คอยแล้วคอยอีกไหคอยเมียเหมือนกันเะพอจะเอาเมียจะเอาทองคำเออเอามากลับมาบ้านเหมือนกันสามสี่วันพอไปดูดูดูไปดูเห็นแต่กระดูกกับกระโหลก ออกองกระจา ย, ยแถวนั้นนะนี่นหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะถ้าคนดีแล้วตกน้ํำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปอยู่นักสถานที่ใดคนดีช่วยถ้าเป็นคนดีนะถ้าเป็นนักเลงหัวไม้หรือใครคนชั่วขึ้นไปแล้วไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนมีแต่คนเขาจะชี้ให้ตํารวจไปจับนะนี่แหละไม่มีใครคุ้มครองนะถ้าคนถ้าคนชั่วนะถ้าคนดีนะ ภูมะลุกขะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองเพราะฉะนั้นอย่าทําความชั่วความชั่วอย่าทําเฉยเลยดีกว่าพราะความชั่วเมื่อทําลงไปแล้วจะทําทให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่าทำแต่กรรมดีถ้าทํากรรมดีกรรมสิ่งที่มันดีกรรมดีเนี่ยจะคุ้มครองนี่แหละยายหวนก็เหมือนกันถึงผู้เท่าจะพัดจากลูกจากหลานไปตั้งสามสี่วัน ไม่ได้กินข้าวอยู่ในป่ากังพูดข่าก็มีเห็นแต่นิมิตดีๆเห็นคู่คนเขามาเกี่ยวข้องมีน้ําใจผลในสุดคนเขาเหล่านั้นก็มาส่งมาส่งใส่ทางอีกต่างหากเดินมาตามทางลูกหลานยังได้พบได้เห็นแต่คงจะเป็นบาปกรรมส่วนหนึ่งที่พัดหลงไปนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อเล่าเป็นเรื่องให้ ลูกหลานเขาได้ฟังนะแล้วก็เมื่อวานเมื่อวันที่29ลงพ่อเขาไปฉันอยู่ที่สำนักเขตพื้นที่การศึกษาเขต4บ้านผือโอ้อันนี้ก็พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเยอะเขามาคัดลายมือเอานักเรียนมาคัดลายมือวันภาษาไทยนะวันเมื่อวานวันที่29กรกฎาคนมะเป็นวันเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติม แต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะถ้ากวาอย่างนั้นลรเมื่อวานจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พานัดคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมเข้ามากราบคลวะหลวงปู่บุญมีนะเมื่อวานวันที่29กรกฎาคม57เข้ามากับศรัทธา ญ, ญาติโยมก็เยอะแล้วก็พร้อมกันหลวงปู่บุญมีเป็นประธานในการสร้างเจดีย์หลวงพ่อคูณสุเมโธวัดปา่าภูดินแล้วก็ ต้องการนั่นแนหะเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ปัจจัยของคุณสมบัติฉเฉลิมมุตินันที่ผู้ที่ถวายช่างเจดีหลวงตานั่นแนหะหนึ่งรอล้านแต่ถวายฟ้าหญิงแต่เขามาทอดกรถินเมื่อปีที่แล้ว เ, เมื่อปีหลวงปู่คูณของพ่อคูณจะมรณะภาพนะเขามาทอดกรถินแต่นี้พอหลวงปู่พ่อคูณมรณภาพก็บอกว่า เราก็ยังขาดเงินอยู่ประมาณ5้าล้านเขาก็เลยถวายมาสล้านเมื่อวานเนี่ยหลบเขาก็เลยเอาเป็นดาบมาเสียต้มถวายมาให้มอบให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยมอบให้หลวงปูบ่บุญเมื่อวานเออคุณสมบัติกับคณะบริษัทเอเชียโกลเดนไลท์มอบปัจจัยสามล้านนะเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงพ่อคูณนะ มอบถวายหลวงปูป่บุญมีแล้วก็ปัจจัยอีกสองแ 0,000 เป็นลดปัจจัยของท่านพระอาจารย์สงบวัดหนองแสงสร้อยอาเภอหนองบัวซออันนี้ก็สองแ 0,000 บาทที่ท่านรับปากเอาไว้เมื่อวานนะหลวงพ่อก็เลยได้มอบทั้งดาบทั้งเงินสดถวายหลวงปู่บุญมีเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงพ่อคูณ3ามล้านสองแสนเมื่อวานนะนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่สําหรับวัดเราก็ ก่อนหน้านี้เราก็ได้ถวายไปแล้วละ่ะสองแสนเสียต้องอีกสองแสนห้านะเราก็โอนให้สร้างแล้วนาเกือบหมดตามว่ามันเกือบหมดเ ม, มืเ่อนะวานนะจากนั้นเราก็ไปออกจากวัดลุกปู่มีคารวะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปวัดหลวงปูล่ลีวัดหลวงปูล่ลีหลวงปู่ท่านก็ใจดีนะท่านไปรับพวกเราอยู่นู่นบนเจดี แต่ไปคอยเดพวกเราไม่ไปง่ายป่ะนีเพราะมันทางไกลฮนะ่กจะไปถึงได้ประมาณเกือบบ่าย3โมง2โมงกว่ากว่าจากนั้นเราก็ท่านก็มารับจุดที่ข้างข้างศาลาของท่านแล้วก็เราก็คารวะท่านแต่พวกเราหลวงพ่อตั้งใจไว้นะ่รวบรวมจิตุปัจจัยเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ลี กุชละทาโลเนี่ยต่างกลัมต่างวาระตั้งแต่ท่านลิเริ่มสร้างมาเราถวายทีละห0า0สน0 0าแสนห้าแต่คราวนี้เราถวายอีก 500,000 แต่เป็นปัจจัยของวัดเราเนะคณะทา ญ, ญาทโยมลูกหลานทุกคนไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อหลวงพ่อได้มาทีละนิดทีละหน่อยเก็บเก็บเก็บเอาไว้เอามาใช้ในวัดของเราด้วยแล้วก็เอาไว้ส่งเสริมพุทธศาสนาด้วยส่งเสริมสําหรับ เครื่องมือแพทย์ด้วยที่มันเหลือจุดไหนที่จะเกิดประโยชน์แต่หลวงพ่อคิดว่าเจดีของหลวงปู่ลีเนี่ยคงจะใช้เงินอีกมากเมื่อวานหลวงพ่อก็เลยไปเป็นคณะใหญ่เป็นคณะพระสงฆ์ของเราหลวงพ่อก็ได้นำปัจจัยเงินสดาจากธนาคารไปฝากมอบถวายท่านอามอบถวายหลวงปู่ลีเป็นเงิน5้0แสนบาทนะ คณะจัตตาร์ญาติโยมลูกหลานทุกคนอนุโมันาแล้วก็พร้อมกันรวมปัจจัยที่เราถวายสร้างเจดีย์หลวงปู่ลีเนี่ยเป็น2องล้านหนะทั้งหมดทั้งหมดนะปัจจัยสองล้านหที่รวมกันทั้งขา่ขาวข่าวก่อนๆรวมทั้งเมือวานนีน้จากนั้นเราก็คารวะหลวงปู่ลีเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปกราบคารวะหลวงปู่เพ่งทำกองเพลน เมื่อทํากองเพนเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปกราบเจดีหลวงปู่ขาวเสร็จแล้วเราก็ลงมาวัดโพธิสมพรมากราบคารวะหลวงปู่แต่หลวงปู่ท่านเป็นนอนที่ไปพักที่โรงพยาบาลวัฒนาเราก็มอบสิ่งที่ศักการปัจจัยถวายหลวงท่านเจ้าคุณเจ้าคุณราดด้วยแล้วก็ถวายฝากถวายท่านเจ้าคุณปู่ด้วย แบ่งเป็นสอง้อาวได้งค์และสองหมื่นกว่าบาทจ้ะนะเนี่ละเมื่อวานเนี่ยจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับล เ, เมื่อวานนี่กลับมาถึงวัดก็โอ้ดึกค่าพอสมควรนี่แหละภารกิจของหลวงพอ่อสองวันที่ไม่ได้อยู่วัดบอกให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะได้รับรู้รับทราบวันนด้พูดเสียยืดยาว ทำให้พูดเธอฟังเดี๋ยวก็ลืมลูกหลานก็คงจะไม่รู้นะตอนนี้ไปคณะสงฆ์อนุโมท น, นาให้พร